บ่ายอีกวันหนึ่งหลังจากได้ออกจากที่เรนแล้วพระสารชาติพระธรรมชาติและเพื่อนพระมจารีอีกรูปหนึ่งได้นั่งสนทนากันณนโะคนพิกุลอันร่มรื่นเมื่อสัมโมนียกถาได้ผ่านไปแล้วพระธรรมชาติก็เริ่มขึ้นว่าข้าแต่ท่านสารชาติผู้เจริญวันก่อนนี้ข้าพเจ้าได้สนทนากับท่าน ถึงเรื่องต่างๆที่ท่านประสบมาข้าพเจ้าได้เล่าให้เพื่อนพรหมจารีผู้นี้ฟังพลางท่านก็แนะนำสหธรรมิกอีกท่านหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆว่าท่านผู้นี้มีนามว่ากันหกะผู้มีไวเสมอกันกันกบข้าพเจ้าท่านได้ฟังเรื่องจากข้าพเจ้าแล้วมีความสนใจมากและอยากพบสนทนากับท่านด้วยเมื่อพิษุทั้งสาม ได้แสดงความคุ้นเคยและยินดีต่อกันและกันพอสมควรอีกครั้งหนึ่งแล้วพระสารชาติก็เอ่ยขึ้นว่าพระดาวันก่อนนี้ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องต่างๆให้ท่านทราบบ้างแล้วข้าพเจ้าคิดว่าประสบการณ์ในชีวิตของท่านคงจะมีบ้างและสิ่งนั้นเป็นที่ประทับใจของท่านถ้าไม่เป็นการลำบากข้าพเจ้าปรารถนาจะฟังจากท่านผู้เจริญ พอเป็นแนวทางแห่งชีวิตท่านผู้เจริญพระธรรมชาติกล่าวขึ้นข้าพเจ้ายินดีนำเรื่องบางเรื่องซึ่งข้าพเจ้าประสบมาและเป็นรอยจารึกในดวงใจซึ่งข้าพเจ้าจำมันไม่ได้ลืมเลือนไปเลยแม่เหตุการณ์จะล่วงเลยมาแล้วหลายขวบปีหลายปีมาแล้วท่านเริ่มเล่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยรุ่น และเวลานั้นข้าพเจ้ายังมิได้อุปสมบทในธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มารดาบิดาตามใจมากมากจนเกือบทําให้ข้าพเจ้าต้องเสียเด็กอันนี้ข้าพเจ้ามิได้โทษมารดาบิดาเลยท่านทำหน้าที่ของมารดาบิดาพร้อมทุกประการป้องกันมิให้ทําชั่วแนะนำให้ทำความดีและทำทุกอย่างเพื่อความดีของลูกแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กดื้อ และไม่ค่อยเชื่อฟังมารดาบิดาเท่าไรนักสำหรับบิดาข้าพเจ้าพอเกรงอยู่บ้างเพราะท่านเคี่ยนตีเสมอเมื่อข้าพเจ้าทำผิดและไม่เชื่อฟังแต่มารดานั้นไม่เคยเลยได้แต่ร้องไห้เมื่อข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังและไปเที่ยวในที่ไกลๆวันหนึ่งในเวลาบ่ายข้าพเจ้าต้องการเข้าไปเที่ยวในป่าโอ้ข้าพเจ้าลืมเล่าไปว่าบ้านของข้าพเจ้าตั้งอยู่ชายป่า แล้วก็พเจ้าชอบเที่ยวเล่นบ้างเที่ยวยิงสัตว์ป่าเป็นต้นว่าไก่ป่าเป็นต้นบ้างเสมอๆจนเรียกว่าเกือบจะคุ้นกับป่านั้นวันนั้นบังเอิญบิดาของข้าพเจ้าไม่อยู่อยู่แต่มารดาท่านกำลังตำข้าวอยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นข้าพเจ้าเดินลงจากเรือนท่านก็ทักและถามถึงที่ที่ข้าพเจ้าจะไปข้าพเจ้าบอกท่านว่าจะเข้าป่าไปยิง น, นก เพื่อนํามาทําอาหารเย็นแม้จะถูกห้ามปรามทัดทานสักเท่าใดข้าพเจ้าก็หายินยอมไม่ข้าพเจ้าเข้าป่าจนได้ท่านผู้เจริญวันนั้นข้าพเจ้าได้ไก่และนกหลายตัวข้าพเจ้าเดินกระยิมยิ้มย่องมีใจรื่นเริงเบิกบานเต็มที่ตามปราษาเด็กวัยรุ่นข้าพเจ้าเดินกลับบ้านในเวลาเพลว์เพลย์แล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้าสะดุ้งสุดตัว ณนะทางแคบๆซึ่งข้าพเจ้าเดินกลับนั้นรูเหลือมตัวใหญ่ข้าพเจ้านึกว่าส่วนยาวไม่น้อยกว่าแปศอกมันชูคอขึ้นสูงประมาณเอวของข้าพเจ้าขวางทางแคบๆนั้นในตาของมันพุ่งมาที่ไก่และนกในมือของข้าพเจ้าคล้ายกับต้องการขอแบ่งลาบอันนี้สักจํานวนหนึ่งตอนนี้มันอยู่ห่างข้าพเจ้าประมาณห้าศอกเท่านั้น ความคุ้นกับป่าทําให้ข้าพเจ้ารูปรวมกําลังใจได้อย่างรวดเร็วข้าพเจ้าตัดสินใจโยนไก่ตัวหนึ่งลงบนพื้นข้างหน้าข้าพเจ้าอันที่จริงก็ข้างหน้าสัตว์ใหญ่ตัวนั้นด้วยมันก้มลงมองไก่ตัวนั้นแล้วชูคอขึ้นอีกคราวนี้ข้าพเจ้าโยนนกตัวหนึ่งลงไปท่านผู้เจริญสัตว์ร้ายหาพอใจไม่มันต้องการอีก คราวนี้เหมือนกับมันรู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้มันทาท่าคู่คู่ข้าพเจ้าทั้งไก่และนกข้าพเจ้ามีอยู่เพียงสี่ตัวเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการจะสู้แต่แวบหนึ่งในดวงใจข้าพเจ้าคิดถึงมารดาท่านคงจะคอยข้าพเจ้าและข้าพเจ้าคิดอีกว่าข้าพเจ้าจะสู้มันได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่ใช่คนร่างกายกำยำแข็งแรงอะไรนักในที่สุดข้าพเจ้ายอมแพ้ โยนทั้งไก่และนกทั้งสองตัวที่ยังเหลือให้มันหมดแล้วพระเจ้าก็ถอยหลังไปประมาณ4 5่ห้าสัตว์ร้ายจัดแจงเก็บอาหารเวียงเข้าข้างทางและตัวมันเองก็หลบเข้าข้างทางเช่นเดียวกันท่านผู้เจริญท่านคงคิดถามในใจว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่เดินกลับและหนีไปทางอื่นเสียข้าพเจ้าคิดเหมือนกันแต่มันมีทางเดียวเท่านั้นและเวลานั้นก็ตวนข้ามเต็มทีข้าพเจ้ารู้สึกว่าถึงหนีก็ไม่พ้นสัตว์ร้ายตัวนี้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจกระทำดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าเดินล้ห้อยกลับบ้านเมื่อพบมารดาข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังทันทีท่านผู้เจริญ มารดาของข้าพเจ้าร้องไห้กอดจูบข้าพเจ้าด้วยความตื้นตันใจและดีใจที่ข้าพเจ้ารอดชีวิตมาได้ท่านพูดว่าลูกรักเจ้าเป็นดวงใจของแม่เป็นทุกอย่างของแม่ถ้าเจ้าเป็นอะไรไปแม่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรและท่านก็พร่ำสอนข้าพเจ้าอีกมากมายและแล้วท่านก็กําชับข้าพเจ้ามิให้เรียนเรื่องนี้ให้บิดาทราบ เพราะถ้าบิดาทราบแน่นอนข้าพเจ้าต้องถูกทำโทษอย่างไม่มีปัญหาข้าแต่ท่านผู้ไฝสันติหลังจากรับประทานอาหารค่าแล้วข้าพเจ้าก็เข้านอนแต่หาหลับลงง่ายๆเหมือนอย่างเคยไม่ข้าพเจ้านอนลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแม้มันไม่ตื่นเต้นมากเท่าเรื่องของนักจนภัยแต่ในชีวิตข้าพเจ้าเพิ่งประสบเป็นครั้งแรก และแล้วเหตุผลต่างๆค่อยๆคืบคานเข้ามาสู่ความรู้สึกของข้าพเจ้าในคืนนั้นประการแรกข้าพเจ้าเพิ่งทราบซึ้งในคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราในวันนั้นเองในขณะที่ข้าพเจ้าเผชิญหน้าอยู่กับงูเหลือมตัวนั้นข้าพเจ้ากลัวตายกลัวถูกทําร้ายเหลือเกินจนข้าพเจ้ายอมให้มันหมดทุกอย่าง ก่อนแล้วการที่ข้าพเจ้าไปยิงนกยิงไก่นั้นเล่ามันไม่ได้กลัวตายเช่นข้าพเจ้าหรอกหรือทุกครั้งที่เห็นข้าพเจ้ามันบินหนียังไม่คิดชีวิตเมื่อลูกของมันตกลงมามันมาบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้าโดยไม่ได้หวาดวันพรั่นพึงต่อธนูของข้าพเจ้าเลยนี่คือความรักระหว่างแม่นกที่มีต่อลูกนกนอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อีกมาก ไหลวนเข้ามาสู่ดวงใจของข้าพเจ้าสรุปลงด้วยการที่ข้าพเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของมารดาท่านผู้เจริญคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นกราบลงบนหมอนพร้อมกับระลึกถึงพระคุณอันมหาประเสรดของชนนีผู้บังเกิดกล้าว รุ่งขึ้นข้าพเจ้าเมื่อรับประทานอาหารเช้าโดยฝีมือของมานดาเสร็จแล้วก็มากราบลงแทบเท้าของมานดาท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ละอายที่จะบอกท่านว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันในอายุ19ของข้าพเจ้าที่ได้กราบมานดาท่านเห็นข้าพเจ้ามีอาการแปลกไปจึงถามถึงความเป็นไป ข้าพเจ้าได้เล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับความคิดคำหนึงในราตรีนั้นให้ท่านทราบมารดาเอามือโอบข้าพเจ้าแล้วดึงเข้ามาจุมพิษด้วยความปลื้มใจข้าพเจ้ารู้สึกว่าน้ําอุ่นๆหยดลงบนหน้าผาก ข, ของข้าพเจ้าท่านพูดด้วยเสียงสันเครือลูกรักความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นลึกซึ้งกว้างขวางเหลือที่จะหยั่งและวัดได้พราดา ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าบทเรียนจากประสบการณ์นั้นสึมทราบยิ่งกว่าบทเรียนจากตำรายิ่งนักเพราะตั้งแต่บัดนัน้นต้นมาข้าพเจ้ามีได้ทำบาปมีได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ใดอีกเลยนอกจากนั้นจิตใจของข้าพเจ้ายังเปลี่ยนแปลงไปมากอีกด้วยจนมารดาบิดาออกปากชมว่าข้าพเจ้าดีขึ้นมากทีเดียวอวุโสพระสารชาติเอ่ยขึ้น เรื่องของท่านช่างคล้ายกับเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเคยฟังมาท่านจะทราบเรื่องนั้นหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบเล่าเถิดท่านผูเ้เจริญการทักกะเสริมขึ้นอย่างน้อยข้าพเจ้าคงไม่ทราบดอกกระมังเมื่อทั้งสองรูปนิ่งอยู่พระสารชาติก็เริ่มเล่าว่านานมาแล้วมีเด็กน้อยผู้หนึ่งไม่เชื่อฟังมารดาของตนแม้มารดาห้าม ก็ไม่ยอมเชื่อฟังเข้าไปในป่าด้วยอาราม์โกรธมารดาก็แช่งออกมาว่าขอให้ควายไล่ขิดในป่านั้นจะเป็นการบังเอิญหรืออย่างไรไมิทราบได้ปรากฏว่าควายยืนจังกล้าขวางทางที่เด็กวิ่งไปนั่นเองเนื่องจากอยู่ในป่าและจวนค่ำเด็กน้อยจะวิ่งหนีก็ไม่กล้ากลัวควายไล่ขิดดังคำมารดาเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า คำใดที่มารดาพูดออกมาขออย่าให้เป็นดังนั้นเลยส่วนสิ่งใดที่มารดาคิดขอให้เป็นเช่นที่ท่านคิดนั้นเถิดเมื่อเธอทำสัจกิริยาดังนี้ปรากฏว่าควายได้ยืนนิ่งเหมือนถูกมัดไว้ในที่นั้นนั่นเองและเด็กน้อยก็กลับบ้านได้โดยปลอดภัย ดูก่อนอวุโสในเรื่องนี้ท่านผู้เล่าต้องการแสดงถึงน้ำใจของมารดาว่ามารดานั้นเมื่อบุตรธรรมให้ท่านโกรธและพูดวาจาหยาบออกมาบ้างในบางครั้งแต่ใจของท่านก็หาคิดร้ายต่อบุตรไม่อย่างในเรื่องนี้แม้มารดาของเด็กน้อยจะพูดว่าขอให้ควายคิดแต่ใจของนาง น, นั้นไม่ต้องการให้ลูก ป, ประสบอุปสรรคใดๆเลย แม้ใบไม้มารดาก็ไม่ต้องการให้ตกลงถูกต้องบุตรของตนอันหนึ่งพระโบราณอาจารย์ท่านอธิบายว่าแม้คําที่กล่าวแรงๆของมารดาบิดานั้นก็หาชื่อว่าเป็นคําหยาบไม่ทั้งนี้เพราะจิตของท่านไม่ได้คิดร้ายต่อบุตรธิดาเลยอุโสอุปชาอาจารย์ของเราทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันแม้ท่านจะดุดาบ้างในบางครั้ง แต่ถ้าจิตของท่านมีความหวังดีมีเมตตาเป็นที่ตั้งต้องการให้สิทธิ์ได้ดีวาจานั้นไม่ชื่อว่าเป็นคำหยาบตรงกันข้ามแม้วาจานั้นจะอ่อนหวานแต่ออกจากจิตของผู้คิดประทุสร้ายต้องการฆ่าผู้อื่นแล้วหวานล้อมล่อลวงด้วยคาหวานคำนั้นท่านยังจัดเป็นคำหยาบเพราะออกจากจิตที่หยาบ ถาแต่ท่านผู้สืบอริยาวงท่านกันหักะพูดขึ้นคำของท่านตอนนี้ทําให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสําคัญถ้าใจร้ายคําพูดก็ตามการทําก็ตามย่อมจะร้ายตามไปด้วยและความทุกข์ก็จะติดตามผู้นั้นเพราะความใจร้ายนั้น เหมือนล้อเวียนติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นแต่โดยตรงกันข้ามถ้าใจดีการทำก็ดีการพูดก็ดีก็จะดีตามและความสุขก็จะติดตามผู้นั้นเหมือนเงาตามตัวฉันเดียวกันและว่าเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็พลอยสงบไปด้วยดังนี้เป็นต้นเรื่องเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าใจมีความสำคัญอย่างไร ถูกแล้วสหายพระธรรมชาติเสริมเพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำอันตรายให้โทษแก่เจ้าของยิ่งกว่าโจรและศัตรูทำให้สิอีกตรงกันข้ามจิต ท, ที่ตั้งไว้ชอบอบรมดีแล้วหมายความว่าเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นสมบัติอันล้ำค่าดีกว่าสมบัติที่คใครๆจะพึงให้ได้ ดังนั้นจึงมีอยู่บ่อยครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำภิกษุผู้เข้าเฝ้าและทูลลาไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมในป่าว่าให้รักษาจิตของตนอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องรักษาอะไรอีกพระดาเรากำลังพูดกันถึงเรื่องน้ำใจแห่งมารดาของท่านกพระเจ้าเข้าใจว่ามารดาคงพอใจท่านขึ้นอีกมากทีเดียวหลังจากวันนั้นมาแล้ว พระสารชาติดึงเข้าหาประเด็นเดิมแน่นอนทีเดียวท่านผู้เจริญข้าพเจ้าสังเกตว่าท่านมีความสุขความสดชื่นขึ้นมากและเรียกข้าพเจ้าว่าลูกรักแทบจะทุกคำทีเดียวพระธรรมชาติรับรองพระดาท่านและท่านกัณหะก็คงทราบว่าการตอบแทนมารดาบิดานั้นมใช่เป็นของง่ายเลย เพราะเป็นผู้มีบุญคุณมากเหลือเกินเมื่อบุตรทิดาอยู่ในคันท่านกดถนอมคันเหมือนดวงใจของท่านมิให้กระทบกระเทือนใดๆเลยอดเปรี้ยวอดหวานทนทุกทรมานานานาประการเพื่อลูกน้อยอันหนึ่งท่านต้องเสี่ยงชีวิตเพียงไรในการให้กําเนิดแก่บุตรทิดาเมื่อคลอดแล้วก็ประคบประงมปลอบโยนด้วยน้ํานมร้องเพลงขับกล่อมและกด กอดห่วงแหนประดุษ ด, ดวงใจซึ่งตกอยูนย่นอกอกแห่งตนเมื่อลมและแดดแรงกล้าท่านก็วันวิตกกลัวลูกจะมีอาพาธเบียดเบียนเมื่อลูกเติบโตพอสมควรแล้วท่านก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเรื่องหาทรัพย์มาส่งลูกเล่าเรียนศึกษาตั้งเอาร่างกายของตนเหมือนเรือแขนซ้ายขวาและเท้าเหมือนแกวภาย เพื่อส่งลูกให้ถึงฟังเห็นความเจริญพระดาเอยใจของมารดาจะเหมือนถูกราดด้วยน้ำกรดเมื่อได้ยินว่าลูกของตนไม่ดีลูกของตนเสียอย่างนั้นเสียอย่างนี้แต่ตรงกันข้ามใจของท่านจะเหมือนถูกน้ำทิพย์ชะโลมเมื่อได้ยินว่าบุตรของตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมได้รับความยกย่องสัเสริญจากบัณฑิต และชุมนุมชนอาวุโสเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นข้าพเจ้ายังไม่เคยพบสายตาคู่ใดอ่อนโยนละมุนละไมและมีแววสัตว์ซื่อลึกซึ้งเหมือนแววตาแห่งมารดาขณะมองดูบุตรเลย จริงทีเดียวท่านผู้เจริญพระกันทะกะเอ่ยขึ้นและด้วยเหตุหนึ่งนี้บุตรธิดาผู้มีกำลังวังชาเมื่อมีทรัพสมบัติแล้วไม่เลี้ยงมารดาบิดาเป็นการตอบแทนย่อมมีบาปมากจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงการทำร้ายตบตีและฆ่าฝันเล่าอันหนึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากของบุตรธิดาบางพวกที่อ้างว่า ตนได้เลี้ยงท่านแล้วด้วยการมอบเงินให้ท่านใช้และให้ปัจจัยสี่อย่างสมบูรณ์และแล้วไม่ต้องเอาอกเอาใจอะไรท่านอีกนั่นเป็นการเลี้ยงกายภายนอกเท่านั้นยังไม่ได้หล่อเลี้ยงน้ำใจท่านเลยการเลี้ยงมารดาบิดาในทางที่ถูกนั้นจะต้องเลี้ยงท่านทั้งทางกายและทางใจคือหล่อเลี้ยงน้ำใจท่านด้วยลองคิดดูง่ายๆว่า เมื่อตอนท่านเลี้ยงบุตรธิดาท่านเลี้ยงแต่เพียงกายคือให้ข้าวให้น้ําเท่านั้นหรือเปล่าเลยท่านเลี้ยงทั้งกายและใจมาอย่างดีความจริงอันนี้จะเห็นได้จากการที่แม้บุตรธิดาจะสมบูรณ์พูนสุขแล้วแต่เกิดการทุกข์ใจกลุ้มใจขึ้นมาเมื่อใดคนแรกที่จะต้องกลุ้มนกกาโกลูกก็คือมารดาและบิดาเพราะฉะนั้น บุทดาจึงควรตอบแทนท่านในธรรมนองเดียวกันกับที่ท่านเลี้ยงตนมาจึงจะสมด้วยเหตุผลพราดาพระสารชาติต่อมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งแต่มันเป็นเพียงนิทานเท่านั้น ท่านไม่รังเกียจที่จะฟังข้าพเจ้าก็จะนํามาเล่าถวายเมื่อภิกษุทั้งสองรับรองอยากจะฟังพระสารชาติก็เริ่มเล่าว่าท่านผูเ้เจริญนิทานเรื่องนี้ประทับใจข้าพเจ้ายิ่งนักคือเรื่องมีอยู่ว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งเคยปฏิบัติมารดาบิดามาเป็นอย่างดีต่อมาภายหลังเมื่อมีพันยาแล้วก็รักพันยายิ่งนัก ฝ่ายพัญญานั้นไม่ค่อยจะชอบหน้ามารดาของสามีตนครั้งหนึ่งหล่อนทาทีว่าป่วยหนักต้องการได้หัวใจของมารดาแห่งสามีมาเป็นยานางบอกว่าจะต้องตายแน่ถ้าเธอไม่ได้หัวใจของมารดามารักษาด้วยอำนาจความรักและความหลงพัญญาชายหนุ่มผู้สามีจึงลืมคุณแห่งมารดาตนจับมีดได้ วิ่งไปยังบ้านมานดาเมื่อฆ่ามานดาและเอาหัวใจได้แล้วก็รีบวิ่งกลับเพื่อนำหัวใจแม่ไปรักษาพันยาซึ่งนอนป่วยอยู่แต่บังเอิญด้วยกำลังรีบร้อนเขาสะดุดเอาตอไม้ตอหนึ่งและล้มลงในขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงหัวใจมานดาซึ่งอยู่ในมือร้องออกมาว่าลูกแม่เจ็บมากไหมจเจ็บที่ไหนบอกแม่สิ แม่จะช่วยเจ้านี่แหละหัวใจแม่มั่นคงแน่นอนและซื่อสัตย์ต่อลูกอย่างนี้ส่วนมารดาซึ่งใจร้ายนั้นย่อมมีอยู่บ้างในโลกแต่ต้องถือเป็นข้อยกเว้นตามข้อยกเว้นที่มีอยู่ในกฎทั่วไปดูก่อนท่านผู้แสวงหามรคาแห่งอมตะท่านยังจะมีเรื่องใดเล่าสู่พวกเราฟังอีก ก็ขอได้โปรดเล่าเถิดพระกันหะักะเสนอขึ้นครั้งหนึ่งพระธรรมชาติเริ่มเล่าต่อหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วประมาณสามปีพระเจ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางไปชนบทอื่นจากบ้านของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเดินทางแต่ผู้เดียวในการเดินทางนั้นข้าพเจ้าต้องผ่านป่าล้าแห่งณานะป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยินเสียงประหลาดดังเข้ามากับเสียงลมข้าพเจ้าหยุดยืนนิ่งเพื่อฟังให้ชัดว่ามันเป็นเสียงอะไรสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็พอกำหนดได้ว่าน่าจะเป็นเสียงคนและคงเป็นเสียงหญิงมากกว่าเสียงชายท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเดินไปตามทิศ ท, ทางเสียงนั้นสักครู่หนึ่งเสียงก็หายขาดไปข้าพเจ้ารู้สึกวันวานใจ หนึ่งก้นนึกว่าอาจจะเป็นเสียงปีศาจทําขึ้นเพื่อหลอกหลอนข้าพเจ้าก็ได้บังเอิญเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงวันท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเช้าป่าข้าพเจ้าทราบดีว่าเที่ยงวันในราวป่านั้นเป็นอย่างไรตามปกติแล้วราวป่าในเที่ยงวันจึงเงียบสงัดจากเสียงสัตว์ทั้งหลายและค่อนข้างวิเวกวังเวง มีสภาพน่ากลัวสาหรับบุคคลผู้มีทา่าแห่งความขลาดทั้งหลายมากกว่าเวลาอื่นแม้ขปเจ้าจะไม่ใช่คนขลาดแต่ขพเจ้าก็ไม่ใช่คนกล้านักอย่างไรก็ตามความอยากรู้อยากเห็นมีอำนาจมากจนชนะความขลาดกลัวเสียได้ขปเจ้าก้าวเท้าต่อไปตามเสียงที่ดังมาเมื่อสักครู่นี้ นกชนิดหนึ่งทางด้านซ้ายทําเสียงดังแกร๊กแกกข้าพเจ้าไม่ได้สนใจคอยฟังแต่เสียงนั้นมันดังมาอีกและคราวนี้รู้สึกใกล้เข้ามามากข้าพเจ้าหยุดยืนฟังโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยแน่นอนเป็นเสิงสตรีข้าพเจ้าก้าวไปอย่างช้าช้ เมื่อผ่านกลุ่มหมู่ไม้ที่ขึ้นหนาแน่นสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงนั้นชัดเจนช่วยด้วยเมื่อเลี้ยวขวามาอีกเพียงนิดเดียว<อ>ข้าพเจ้าก็มองเห็นร่างของสุภาพสตรีผู้หนึ่งท่านผู้เจริญใจของข้าพเจ้าเต้นระทึกหล่นหันข้างมาทางข้าพเจ้าและแน่นอนเธอยังไม่เห็นข้าพเจ้า พอดีข้าพเจ้ากำบังต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่และมีไม้เล็กอีกต้นหนึ่งซึ่งใบของมันพอปกปิดข้าพเจ้าได้โดยไม่ให้หล่อนเห็นได้ง่ายนักระยะห่างประมาณสอิองศอกทําให้ข้าพเจ้าเห็นหลอนยางชัดเจนนริสาสตรีผู้นั้นถูกมัดติดอยู่กับโคนต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยเชือกเส้นมะฮึมาร่างของหลอน เป็นริ้วรอยและบวมช้ำไปหมดทั้งร่างหน้าตาปูดบวมและเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริงแทบจะหาชิ้นดีไม่ได้เลยเธอร้องไห้ปริเวทนาดซสายใจแทบขาดกระเจ้าได้ยินเสียงที่ออกจากปากเธอว่าลูกรักลูกรักเป็นระยะระยะสลับกับการปริเวทนา มาริษาข้าพเจ้าได้เข้าไปใกล้สตรีผู้นั้นเมื่อนางได้เหลียวมาเห็นข้าพเจ้าเธอได้แสดงอาการตกใจและดูเหมือนจะมีแววดีใจปนอยู่บ้างข้าพเจ้าแสดงให้เธอรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความประสงค์ร้ายต่อเธอและต้องการจะช่วยเหลือให้เธอพ้นทุกข์เท่านั้นท่านผู้เจริญแววแห่งความดีใจฉายออกมาทางใบหน้าให้ข้าพเจ้าเห็นอย่างชัดแจ้ง เมื่อข้าพเจ้าแก้เชือกที่ผูกมัดเธอให้ติดไว้กับต้นไม้ออกแล้วสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทำก็คือเทน้ำจากถุงหนังซึ่งข้าพเจ้ามีติดตัวมาด้วยพอประมาณใส่ภาชนะให้เธอดื่มใช้น้ำที่เหลือจากส่วนนั้นเองเช็ดถูโลมทาพอให้ร่างกายชุ่มเย็นข้าพเจ้าขอร้องให้เธอพักผ่อนให้สบายเสียสักครู่หนึ่งก่อนก่อนที่จะเล่าเรื่องของเธอให้ข้าพเจ้าฟัง เวลานั้นเธอหยุดเอื่นลงได้บ้างแล้วและข้าพเจ้าก็ไม่ลืมที่จะหาอาหารให้เธอได้บริโภคบ้างเท่าที่จะหาได้เงาไม้เริ่มจะเอียงมาทางตะวันออกอันแสดงถึงว่าพระอาทิตย์ได้บ่ายคล้อยไปทางทิศ ต, ตะวันตกพอประมาณแล้วเสียงนกเล็กๆส่เงเสียงประสานกันบ้างเป็นจังหวะจังหวะลมลำเพลยมาเบาๆ ป่าซึ่งเคยเงียบสงดมาเมื่อเที่ยงวันเริ่มจะมีชีวิตชีวาขึ้นท่านผู้ใจบุญคําแรกที่เธอเอ่ยขึ้นคราบน้ําตายังม่ได้หายจากใบหน้าของเธอเลยถ้าไม่ได้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าต้องตายในป่าเป็นแน่แท้ความการุณาของท่านในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในความทรงจําของข้าพเจ้าจนจบสิ้นลมปราน เธอพูดเสียงสะอื้นน้อยๆนางผู้เจริญเรื่องอื่นจงยกไว้เถิดข้าพเจ้ามีความสุขใจมากแล้วที่ได้ช่วยท่านให้พ้นทุกข์เพียงแค่นี้นางอย่าพูดถึงบุญคุณเลยข้าพเจ้าอยากฟังเรื่องของท่านถ้าไม่เป็นการลำบากโปรดเล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าได้ทราบบ้างเถิดข้าแต่ท่านผู้แสวงหามัคคาแห่งอมตะ ต่อจากนั้นเรื่องอันน่าเศร้าของเธอก็ถูกถ่ายทอดให้ข้าพเจ้าฟังโดยหมดสิ้นข่าแต่ท่านผู้ใจบุญเธอเริ่มต้นข้าพเจ้าเป็นบุตรีแห่งผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านอันไม่ห่างไกลาจากที่นี่นักเมื่อถึงวัยพอสมควรข้าพเจ้าก็ถูกส่งไปสู่ตระกูลสามีโดยการยินยอมพร้อมใจของมารดาบิดาและญาติพี่น้องทุกคน ในระยะต้นแห่งการแต่งงานข้าพเจ้ามีความสุขตามประสาผู้ครองเรือนทุกประการเรียกได้ว่าในบรรดาสตรีที่มีความสุขทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขญาตทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายข้าพเจ้าต่างชื่นชมยินดีเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าตั้งครรภ์แต่แล้วความชื่นชมยินดีนั้นอยู่ได้ไม่นานเลย ข้าแต่ท่านผู้ทรงความกรุณาเมื่อข้าพเจ้าคลอดแล้วเพียงห้าหกเดือนเท่านั้นแสงแห่งความสุขก็เริ่มสลัวลงและมรสุมชีวิตในครอบครัวข้าพเจ้าก็เริ่มต้นสามีของข้าพเจ้าเริ่มดื่มสุราและดื่มมากขึ้นทุกวันที่แรกๆ ก, ก็ดื่มแต่สุราเท่านั้นหลายเดือนผ่านไปเขาเริ่มเที่ยวกลางคืนและเที่ยวมากขึ้นตามลำดับวันและเวลาที่ล่วงไป ข้าพเจ้าจะทัดทานอย่างไรก็หาฝังไม่แม้จะอ้างเหตุต่างๆมาให้เขาฟังก็ไร้ผลท่านผู้กรุณาชีวิตของข้าพเจ้าได้เข้ามาสู่ทางลำเคนยังไม่มีใครคิดฝันไว้ก่อนเลยข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นทั้งเลี้ยงลูกทั้งทํางานบ้านทุกอย่างสารพัดท่านผู้เจริญท่านคงนึกว่าข้าพเจ้าคงมีความบกพร่องอย่างไรบ้างกระมัง ข้อนี้ข้าพเจ้ามิได้ลืมตรวจดูเลยข้าพเจ้าตรวจดูการทําหน้าที่แห่งปัญญาที่ดีและกรณีแวดล้อมทุกประการข้าพเจ้าพูดมิได้เข้าข้างตัวเองเลยแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นความผิดความบกพร่องของตนพระดาเอ่ยอันมนุษย์ที่มีนิสัยชั่วในตัวเองและปกปิดไว้เพียงชั่วคราวเพื่อหลวงตาคนอื่นก็มีอยู่มากไม่ใช่หรือ ถ้ามนุษย์พวกนี้มีอยู่สามีของข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนนั้นเขาแสดงนิสัยชั่วออกมาทุกประการเท่าที่มีทารุณโหดร้ายและอื่นๆ อ, อ, อีกเหลือจะจารณัยนพราดาบุตรของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้หนึ่งปีกับหกเดือนเท่านั้นทั้งนี้เพราะความลำบากและยุ่งเหยิงในครอบครัวนั่นเองในที่สุดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่บ้าง เขาก็พรานจนหมดสิ้นด้วยการดื่มสุราและเที่ยวกลางคืนพราดาก่อนเรื่องนี้จะเกิดเขามาคมขีครูตะคอกจะเอาทรัพย์อีกเมื่อข้าพเจ้าปฏิเสธและไม่ยอมให้เขาก็ทุบตีและทำร้ายมีสัญลักษณ์ปรากฏให้เห็นอยู่นี่แล้วเธอมองดูไปทั่วสารพางที่บวมชำ้ำท่านผู้กรุณาเขาและเพื่อนผู้โหดร้ายเช่นเดียวกับเขา ได้นำข้าพเจ้ามาทรมานไว้ณที่นี่เมื่อยามดึกของคืนที่ล่วงมานี่เองเพื่อให้ตายไปเองหรือเพื่อให้สัตว์ร้ายทำร้ายให้ตายไปเพื่อเขาจะได้กวาทรัพย์สมบัติเท่าที่มีไปผลาญตามนิสัยชั่วของเขาข้าแต่ท่านผู้กรุณารายละเอียดมีมากเหลือที่ข้าพเจ้าจะเล่าในเวลานี้ได้เพราะข้าพเจ้าเหนื่อยเหลือเกินเธอหยุดเล่าและหอบด้วยความเหนื่อยอ่อน ขอให้ท่านทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเถิดถ้าบุญของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าอาจจะสนองคุณท่านได้สักวันหนึ่ง